สำหรับวันนี้เป็นวันบูชัดอันดาครูทั้งหลายก็ไม่ต้องไปฝึใครทั้งหมดนะวันนี้ขอให้ทำกันเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าท่านยังไม่ได้ก็รับฝึกในวันพรนี้สำหรับวันนี้ก็อย่ขออธิบายเรื่องการเจริญพระกรรมฐานเรว่าการที่บรรดามีประชาชนหลายมาฝึกกรรมฐานด้านมนุยิทธิโอกาสจะแนะนำ กัรในระหว่างหลักเกณฑ์นการเจริญพระกรรมฐานก็นรู้สึกว่าไม่สะดวกเพราอเวลาจะมากวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษ แ, แนะนำํำหัวข้อในการเจริญพระกรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานจริงๆพระพุทธเจ้ามาในวงให้พวกเราเจริญแค่รู้สวรรค์รู้นรกรู้เทวดารู้พมอย่างเดียวแค่รู้อย่างเดียวนั้นยังไม่พ้นอบายภูมิ ดังนั้นเจ้าเก็จำเป็นต้องหาเครื่องมือเื็นเครื่องต่อสู้ติกิเลสต่อไปรู้ว่าสวรรค์มีจริงพรหมมีจริงพุทธิพัณฑ์มีจริงนรกมีจริงเปสมีจริงอสุรกายมีจริงสัตว์ฉันมีจริงพิธรการมที่เราจะทําจิตให้ผลแยกเป็นสัตว์ในใบปุ่มีนรกเป็นต้นหรือว่าทําจิตให้ถึงสวรรค์ถึงพรหมทิฏฐิภัานให้มันทรงตัวจริงจริงจะทำยังไง พ่อมีก็ขอยกมาหนึ่งคอนเทียงหลักเรียนในการเจริญพระกรรมฐานไม่มีมากแต่ว่าวันนี้จะยกมาโดยย่อเฉพาะจริตกซึ่งมีความจำเป็นจะต้องรู้ทุกท่านสำหรับจริตนี่แปลว่าแบบจิตท่องเที่ยวไปห ร, ร, อรือารมณ์ที่จิตมันคิดอารมณ์ที่จิตมันชอบคิดชอบกำหนิงเรียกว่าจริต และจิตมันมีความต้องการมีหอย่างหนึ่งราคาจริตรักสวยรักงามสองโทศาสจริตชอบมักโกรธสามโมหจริตมีอารมณ์ซึมๆห ล, ลงๆเกาะน้นขอนี่นั่งของกูนี่ของกูสี่วิตกจริตตัดสินใจไม่ตกลงมีประสาทซึมห้าศรัทธาจริตเชื่อง่ายหกพุทธจริต มีทวามฉลาดมากสำหรับเรื่องจริตถกนี่ถ้าอยากพูดกันในรายละเอียดแล้วก็มันหลายชั่วโมงก็อยา่าเขาเขากาจะพราะโดยย่อว่านักที่จเจริญนประกาฐานที่า อ, าอาชนะกิเลสจริงๆหรือว่าฌานที่เราส่งได้เนี่ยมันจะมีอารมณ์จำใสจริงๆต้องฉลาดในะจริตถกโดยการ ราคะจริตอารมณ์รักแต่ความจริงอจิตโภคการนี้มันมีกับคนทุกคนแต่ว่าเราต้องดูว่าจริตอันไหนมันมีในกำลังใจถ้าเราหนักกว่าเพื่อนต้องปราบจริตนั้นก่อนอย่างที่องค์สมเด็จพระจนาวรทรงแนะนำพระลูกชายในช่างทองซื่งท่านเป็นผูน้หนักในโทสัจริตพระพุทธเจ้าก็้แก้โทสัจจริตด้วยกระสินดืวโลหิตกสิน ต้องดูใจของเราว่าไอ้ความรักสวยรักงามมันมันก็มีทุกคนความโกรธมันก็มีทุกคนอารมณ์ซึมหรืออามหลงมันมีทุกคนความเชื่อมันมีทุกคนอารมณ์โกรธหรือความฉลาดมันก็มีทุกคนแต่มันแบ่งเวลามีกันตรนี้เราจะดูว่าใจของเราแต่มันหนักจุดไหนหนักรักสวยรักงามมากหรือว่าหนักในการฉุนเขียวโกรธง่ายอย่างนี้เป็ต่อ อันนี้จะว่าที่อาการที่เราจะปราบจริตทั้งหกอาการรักสวยรักงามที่เรียกกันว่าราชาจริตอันนี้สมเด็จตัวสัมมาทูตเจ้าให้ใช้อสุภกรรมฐานสิอย่างกับกายข้ตาต้องสติอีกหนึ่งรวมเป็นสิบเอ็ดเขาปราบปรามรมณ์นี่ก็หมายความว่าถ้าเราอสุภกรรมฐานนอกสิบเนี่ยความจริงถ้าปฏิบัติจริงเขาเขารวบไปเลยนะ ไม่ต้องไปนั่งไล่เบี้ยว่าชอบชีสันบรรณจะเรินก็อสุปกองนี้ชอบโคตรทรงจะเินจะเนี่ยอสุปกองนี้ไม่จําเป็นรวบเป็นเลยว่าคำว่าอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามกายที่กัตตาลุบติคือดูกายข้งล่างกายมันไม่เป็นท่อนมันไม่เป็นแท่งทึบมันจะชิ้นเป็นอันเรื่องกายของคนก็ดีกายของสัตว์ก็ดีเขาเรียกว่ามีอาการสาสอง มีผมขนเล็บปันหนังเลือดตับไตไส้ปอดอุจจาระปัดสภาวะผล็ตจำลายเลือดํำเหลืองหนองเป็นต้นตวงเขาว่ากายคนนี่มันไม่มีการทรงตัวมันแบ่งเป็นชิ้นแบ่งเป็นส่วนแบ่งเป็นตอนจะชื่อว่าเป็นมันจะจับกลุ่มตลอดกาตรตลอดสมัยน้หาไม่ได้ตามที่พระพุทธเจ้าพิชาราสั่งสอนไว้ในมหาสติปัานนสูตร ถ้าจะาพิจารณาร่างกายจริงๆก็ต้องดูธาตุสีด้วยแ้เข้ามาประกอบกันกรรมฐ า, านทุกอย่างมารวมกันได้ว่ากายนี้แบ่งเป็นขนเป็นผมเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเนืกก้อตามแต่เนื้อแท้จริงๆมันเป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟถ้าในมหาจิตปานะสุดทีบ่บอกไว่าคุณข้าโค เวลาข้าววัวตัวหนึ่งก็ลอกหนังไปกองไว้จุดหนึ่งลอกเนื้อไปกองไว้จุดหนึ่งเอากระดูกไปกองไว้จุดหนึ่งเอาจับไตไส้ปอดไปกองไว้จุดหนึ่งดูที่ตัวั้นมันสวยบ้างมันมีอะไรสวยบ้างลอกหนังไปแล้วเห็นเนื้อก็ไม่สวยแล้วลอกเนื้ออีกแล้วได้กองกระดูกก็ไม่สวยแล้วเอากองกระดูกไปกองทีนนี้เอาเครื่องในมีไส้มีปอดเป็นต้นไปกองไว้ีจุดหนึ่ง ให้พิจารณาแบบนี้พิจารณาคนได้พิจารณาสัตว์พิจารณาร่างกายตัวเราอย่ารูปแต่ข้างนอกล่วงเข้าไปถึงข้างในว่าข้างในจริงๆมันเป็นธาตุสี่สิ่งเดีเมื่อสวยนี่คือผิวพันธ์ผิวพันธ์นี่มันอยู่ท <c oughs> ี่หนังกําพร้านิดเดียวแต่ว่ากันลอกหนังกระพร้าและไปแล้วก็เลือดสวย เล่าเน่าไปแล้วแต่ถ้าโครงกระดูกก็ไม่เป็นเรื่องถ้าเอาโครงกระดูกออกมีตับตายไส้ตอดอุจจาระต่อสร ะ, ะที่ไม่เปเ็ืองเป็นราวใหญ่ก็ต้องมองดูว่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ที่ร่างกายของเรานี่มันสกปรกถ้าเห็นว่าสกปรกไม่สะอาดไม่น่ารักไม่น่าพัฒนาอันนี้เป็นสมถะภาวนา แต่เราเห็นว่ามันโชกกระโลงด้วยไม่สะอาดด้วยถ้ามันก็ไม่มีการส่งตัวมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมีการแปรปรวนจากเด็กเป็นลนมเป็นสาวจากความเป hmm. ็นหนมเป็นสาวเป็นคนแก่อจากความเป็นคนแก่เป็นคนตายหาความเที่ยงแท้แน่นอนเป็นได้เราก็ไม่พอใจในมันอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณคือทำเบรคเอาเดียวให้ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา เห็นว่ามันสกปรกมันน่าเกลียดมันมีการซุดตัวไปเรื่อยเรื่เห็นไปเห็นว่าสกปรกและ น, น่าเกลียดเป็นสมถะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมีการเคลื่อนไปการเคลื่อนไปถ้าเรายึดถือจะไม่ให้มันเคลื่อนใจมันก็เป็นทุกข์ क. แต่ในที่สุดมันก็เป็นหน้าตาตายหมดสลายตัวหมดนั่นก็ไม่ดีร่างกายประเภทนี้ไม่ควรจะมีสมบัตา แต่เราก็ไม่ต้องการร่างกายเขาขคนใดเขามาปกครองเพราะว่าร่างกายเรามันก็ไม่ดีร่างกายชาวบ้านเขาก็ไม่ดีในเมื่อมันไม่ดีแล้วทาไมเราอยากสร้างอยากได้ร่างกายเขาอย่างถึงอยากทรงร่างกายเราเมื่อเราอยากได้มาอยากทรงอยู่มันก็ไม่ทรงอยู่ตามความต้องการของเราในที่สุดมันก็พังอันนี้เป็นการตัดลายพระจริตพร้อมด้วยปัสนา ย, ยาน รูปาถรนตัดร้อมไปเลยหนึ่งนะพอผู้ใหย่อยแล้วก็สองถ้าการแก้รงค้นโทสะพระพุทธเจ้าให้ใช้กรรมฐ า, านแปดอย่างให้เลือกเอาตามชอบใจสี่อย่างข้างต้นก็ได้จะผมมีหารสี่คือเมตตาความรักกรุณาความสงสาร มุตตามีจิตอ่อนโยนไม่ช้าดิ่สิยาไขให้พวกคนอื่นได้ดีพอินดีด้วยอมเมคาถ้าก็เอาสิ่งที่มันไม่ชอบใจเกิดมาให้วางเฉยเขาไว้ยังไม่สะตือหรือรน้นเอตโทสะเนี่ยไม่คิดประหัรประหารชวบ้านเขาคิดทำลายเขาคิดเึงฆ่ากันแกล้งเขามีความทุกข์เราต้องใชอารมณ์เมตตาเป็นเครื่องแก่ ตื่นขึ้นม า, ชาเช้าก็คิดอยู่เสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งโลกคิดไปอย่างนี้แต่บริการในสองเราจะสงสารในเหงื่อไทยเขามีทุกเราต้องการจะเกื้อกูลเขามีความสุขจะเป็นคนได้ใสก่กระตากต้องการจะช่วยถ้ามันยังช่วยไม่ได้แต่ใจก็จะคิดจะช่วยแท่นี้จะซ้ำเติม นักดใหการศึกษาให้ใครได้ดีเอาความดีเขานั้นมาแฝงส่วนพอยินดีส่งเสริมให้ความดีเขาแล้วคิดว่าเขาทำยังไงยันดีมีความสุขเรานํามาปฏิบัติานั้นมามาปฏิบัติบ้บางเราก็มีความสุขเมื <c oughs> ่อข้านุเบกขายเห็นเมื่อเขาเพี่ยงแพมเราไม่สา ม, มารถจะช่วยเหลือได้แล้วก็ไม่ซ้ําเติมอันนี้เป็นหมวดที่หนึ่งที่เป็นการแก้โทสะ ถ้าพมิหารสีนี่มันต้องคิดเขาเรียกเปอารมณ์คิดไม่ใช่อารมณ์ท่องถ้าไม่คิดเราไม่ชอบคิดชอบชอบชอารมณ์ส่งตัวคือใช้สมาธิเข้าตัดอารมณ์โพสะก็มีอยู่สําหรับพ ม, มิหารสีนี่จะไป น, นั่งไปสมาธิเฉยๆหลับตาปี๋ไม่ตาคุณนาวาุตาเบี้ยขาไม่ได้ผล น, นะนี่ต้องเปอารมณ์ไข่คนที่จเจนนาคนตัดสินใจไว้เสมอใครก็ทําให้โกรธก็อดใจ ไม่ใหม่อดไม่ไหวก็โต้ตอบต่อไปถ้ามีความรู้สึกตัวไหวนั่นฝึกไปแล้วนี่ไม่สมควรก็ยับย่างใหม่แต่ถ้าว่าอารมณ์คิดอย่างนี้มันไปนที่ไม่ถูกใจเราเราชอบอารมณ์นิ่งอารมณ์นิ่งเปนเคื่องตัดโทสะก็มีอยู่นั่นก็คือกระสินสีได้แก่รุิตกสินกระสินชี้แดงปิตา ก, ะกสินกรสินชีเหลือง มี่แล้วก็สิงค์กสิงค์สีเขียวโอทาจะก็สิงค์สิงค์สีขาวให้นําเอากรสินอย่างใดอย่างหนึ่งในสีอย่างนี้จะไปเอาอย่างอื่นมานะเราต้องจะพกิดเอากระสินสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งในสีอย่างนี้แต่วิธีที่ปฏิบัติละ เ, เอียดถ้าประสองค์จะรู้ ด, ดูดูในคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานวันนี้แค่แนะนําเท่านั้น เอ่อว่าก็ถึงอย่างใดอย่างหนึ่งมาเจริญให้เป็นสมาธิจิตถ้าจิตเข้าถึงฌานสมาบัติก็ตั้งแต่อุปจารสมาธิเป็นต้นไปอารมณ์แห่งความโกรธมันจะลดตัวลงถ้าสมาธิสูงมากก็ลดมากถ้าถึงฌานสมาบัติแต่ถ้าถึงฌานสีมันจะมีความรู้สึกว่าเราไม่รู้จักโกรธแต่ก็เราต้องระวัง กำลังของฉานไม่ได้ทำลายความโกรธเป็นการยับยัง้งขื้กดกกดความโกรธเอาไว้ถ้าเราใช้อารมณ์ส ม, สมาธิตัดความโกรธระงับมันไดแ้แล้วก็ใช้อารมณ์วิปัสนาญาช่วยอย่างพระลูกชายในช่างทองอีส่สมเร็จไปสัมมาพุจ้ากิจะนาว่าไอ้โลกนี้ทั้งโลกมันมีอะไรเที่ยงบางความเก่าความแก่ทุ่บ้านเดินโรง บ้านเดือนโรงติกรัมต่งตางๆก็สร้างใหม่ก็แข็งแรงมีความสวยสดุดงามไม่ช้าไม่นานมันก็สึกร้อเ ส, สื่อมทรามลงมาด้านในที่สุดมันก็ผุมันก็พังคนรละสัตว์เกิดขึ้นมาที่แรกตัวเล็กต่อมาก็โตโตต่อไปกระสุดโทมเลยก็ตายรวมความว่าวัตถุก็ดีสิ่งที่มีชีวิตก็ดีในโลกนี้มันไม่มีอะไรจะเที่ยงไม่มีการทรงตัว แต่การที่ไม่ทรงตัวถ้าเราไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันก็เป็นกิเลสอยู่ปลายฐานเพราะการยึดถือแล้วมันไม่ฟังเราเราก็เป็นทุกข์ในที่สุดเราจะก็ยึดมันหรือไม่ยึดมันก็ตามมันก็พังไปตามสันาพเราก็ตัดสินใจขึน้นที่ว่าภาวะในโลกจะเป็นวัตถุ ก, ก็ดี จะเป็นส ja ิ่งที่มีชีวิตกันดีแม้แต่ร่างกายของเราดีเราไม่ควรปรารถนามันต่อไปเพราะมันไม่เที่ยงนี่เราต้องการของเที่ยงต้องการของดีแล้วเราเกิดมาทุกคนเราต้องการมีความสุขแั้งเมื่อร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นวัตถุธาตุต่างๆเป็นปัจจัยของความทุกข์เราเขาไม่ต้องการมะไอีกเมื่อทุกอย่าพอในสุดมันก็พังเราไม่ต้องการเสี่งพังคนเกิดมาแล้วไม่มีใครต้องการจะตายแต่ร่างกายมันก็จะตาย ทสมบัติที่มีไว้มันก็ต้องสลายตัวไปในทสุดแ์เราไม่ต้องการมันสลายตัวฉะนั้นไอ้สภาวะที่มันไม่คงตัวแบบนี้เป็นจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกของเป็นปัจจัยของความทุกข์อนัตตามันทางไปในที่สุดเราก็เลิกเราไม่ต้องการมันอีกขี้ผิวร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปสุดที่เราต้องการจริงๆนั่นก็คือคนิพพาน เปนว่าทุกจุดนะถ้าทําแล้วก็ต้องเอาจิตเข้าไปจับในวิปัสนาญาณเราถ้ายจิตไปสมาธิระเมศในรัตพมีหังสีอันนี้เป็นสมถะถ้าเราีิจานณาแบบนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกอนัตตาเป็นวิบัตปัสนาญาณการไม่เกาะร่างกายเราโดยเฉพาะและวันเห็นเป็นปัจจัยให้ไม่เกาะร่างกายคนอื่นแต่ก็ไม่เกาะวัตถุธาตุอันนี้เป็นสกายาติทิฏฐิที่ในวิปัสนาญาณตัวใต้กิเลสจริง ถ้าตัดได้จริงก็เป็นละหันจริงต่อมาก็สําหรับโมหะจริตกับวิตกจริตท่านใช้คู่กันไอโมหะจริตเนี่ยท่านบอกว่ามันหลงในวัตถุหลงในบุคคลหลงในสัตว์ที่วันหนึ่งก็เป็นกุ๊กูนี่ก็เป็นกุ๊กโก้เก็บพร้อมรอมนิดกิ่มเหนียวตอนนี้กี่เหนียวไม่รู้จักจับใจใจเสียสวยก็จะเสจะหาย ไม่ได้คิดว่าไอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขามีไว้สมบัติที่มีไว้ทุกคนตายแล้วไม่มีใครแบกเอาไปได้แม้แต่ร่างกายของเราที่รักที่สุดก็ไม่มีใครทรงตัวอยู่ได้ในที่สุดตายเขาไปฝังไปบ้างเขาเที่ยงน้ําบ้างปล่อยนกไห้กากินบ้างเขาไปเผาบัางรักโงงแหนเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้แต่าาการอย่างนี้เกิดขึ้น อาการก็โมหะจริตก็ดีวิตตกจริตก็ดีมันมีจิตฟุาา้งซ่านนี่อารมณ์ไม่ส่งตัวดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าจิตของเราตกอยู่ในโมหะจริตกับวิตตกจริตทีมันฟุาา้งซ่านไม่ส่งตัวตัดสินใจได้ไม่นนนนแน่นอนสมเด็จพระจินดรวทรงแนะนําให้ใช้อนาปานุปปิกรรมฐ า, านอย่างเดียว เวล า, าที่ใจมันฟุ้งสั้นไม่ต้องไปภาวนามันจะขึนยย้นภาวนาจะเริดเปิดเบื้องใหญ่ให้จับภาวนาปลาโนติคือกำหนดรู้แล้วไม่ใจเขาออกอย่างเดียวให้จิตส่งตัวถ้าเพื่อถ้าถ้ากำหนดรู้แล้วไม่ใจเขออกจิตสบายก็เริ่มเป็นปสมาธิจิตสบายก็คลายอารมณ์จากภาวนานิดหนึ่งอย่าทิ้งสมาธิซะเลย มันตั้งอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิก็พิจารณาว่าไอ้ร่างกายที่เราทรงตัวอยู่เวลานี้มันแน่นอนหรือเปล่าลมหายใจที่เราสุดเข้าสุดออกเนี่ยมันเป็นก็เป็นนิจังมันก็เป็นนัตตาเหมือนกันมันมีความไม่เที่ยงกับลมหายใจที่ดึงเข้ามาภายในเราดึงเข้าไว้ข้างในให้มันให้เลี่ยงตัวที่มันไม่เที่ยงเพราะอะไรมันเข้าไปแล้วมันก็ออกมาสิอีก หายใจเข้าแล้วก็ต้องปล่อยออกให้มันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันเข้าแล้วก็ต้องไม่ออกมันเยอะเรื่องร่างกายของเราในเมื่อสภาวะของลมที่มันไม่เที่ยงนั้นมันเป็นยังไง ร, ร่างกายของเรานี่มันจะอยู่ได้เพราะการปลุกปื่อจากลมจากอาหารสําหรับลมหายใจที่เผัดส า, าอาหารอาหารมัมีหลายอย่างจริงก็กระวังเวลาอาหารอาหารคือกลองกินที่เรียก ว, ว่าคํำข้าว ผัดหาหารได้แต่ลมหายใจเขาออกอาหารสองอย่างนี้มีความสําคัญกับร่างกายเขจัดเป็นสี่จะไม่จําเป็นต้องพูดทีนี้อาหารสองอย่างนี้มีความสําคัญกับร่างกายถ้าขาดเชิงใดอย่างหนึ่งชีวิตมันประสงไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีอาหารทั้งสองอย่างคืออาหารสำหรัการกินที่เรียกว่าคําข้าวขนมขนมก็กเหมือนกัน หรือว่าลมหายใจเขาออกมีอยู่เสมอกต่ร่างกายที่มันก็ไม่ทรงตัวมันเสื่อมมันโทมมันแก่ลงไปทุกวันบำรุงบำเพลยยังไงก็ตามทีมันก็ป่วยไข้มันสบายมันเป็นทุกข์ในที่สุดมันก็ตายถ้าเราจะนั่งหลงร่างกายอย่างนี้ต่อไปหรือเกิดกี่ชาติมันก็มีสภาพแบบนี้ไม่มีอะไรจะดีขึ้น จากนั sea, so ite, And, uh, ้นลราก็ตัดสินใจตามอองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําว้ในมหาปฏิปทานสูตรว่าเธอทั้งหลายจงยาสนใจกายภายในคือกายของเราเองและก็จงยาสนใจกายภายนอกคือกายเขาคนอื่นแล้วก็จงยาสนใจในวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถ้าใจเราไม่สนใจในกายเองไม่เมากาย ไม่เมากายเราไม่เมากายคนอื่นไม่เมาวัตถุมันก็เป็นพาาระอรหันต์ความจริงการเป็นพระอรหันต์นี่มันไม่ยากถ้าเราต้องการนี่ต่อมา น, นี่คือว่าการกํดดกราหนดรู้ลงในใจเขาออกเป็นสมถะภาวนาการพิจารณาร่างกายเรานี่กล่าวมาเป็นวิปัสนาภาวนาคือทําจุดใดจุดหนึ่งก็ตามเอาไป น, านี้วิปัสนาอย่างให้หมด ไม่จำเป็นจะทำสมาธาที่นี่ไปที่วัฒนายานที่นโนดนมันไม่จำเป็นสมาธิทุกองไปที่วัฒนมมายานได้ทันทีเนีต่อมาถ้าจิตมันตกอยู่ในลักษณะโคสัทธาจริตมีความเชื่อแอ่เรื่อความเชื่อเกิดขึ้นใครพูดอะไรก็ยอยากจะเชื่อแต่ความจริงผู้สัทธาจริตมัจะว่ากันไปจริงๆแล้วก็เป็นคนได้เปรียบคน ถ้ามีความเชื่อประกอบไปด้วยปัญญาความเชื่อมันมีสองอย่างเชื่อน้อมใจเชื่อเฉยๆพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอิโมกขสัตถานน้อมใจเชื่อโดยไร้การพิจนั่าเชื่อแบบนี้ไม่ดีฟังง่ายเราต้องใช้ความเชื่อที่สัมพันธ์ไปด้วยปัญญาก่อนจะเชื่อและเชื่อแล้วพรรับฟังและกพควรจะเชื่อแต่ว่าใช้ปัญญาใช้ควรก่อนว่าคนรหรือไม่ควร ตอนี้เมื่อจิตตกในลักษณะกองศรัทธาจิตอารมณ์ชอบเชื่อพระเจ้ากระสุนแนะนำให้ใช้กรรมฐานหกอย่างกรรมฐานหกอย่างคือหนึ่งพุทธานุสติสองธรามานุสติสามสังคานุสติสี่ศีลานุสติห้าจาคานุสติหกทิวตานุสติให้ใชอนุสติหกอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาใข่คน พุทธานุสตินึกถึงความดีของพุทธเจ้าธรรมานุปสตินึกถึงความดีของวัฒธรรมสังขารนุปสตินึกถึงความดีของพระอริยสงศีลานุสตินึกถึงความดีของศีลญาคานุปสตินึกถึงความดีของทางการบริจาคเทวตารุปสตินึกถึงคุณธรรมที่ทำบุคคลเป็นเทวดาได้ใจฮีริโลตปะ ใช่คนเทว ด, ดาว่าท่านมีความสุขดีการที่จะเป็นเทว ด, ดาได้ก็หนึ่งมีหิริความอายความชั่วโอตะปะเก่งโขลกความชั่วให้ใครคนยู่ในเขตนี้จิตจะเฟื่องโูจิตจะมีความสุขถ้าจิตมีความสุขแล้วถ้าเราไม่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ดีเมื่อจิตมีความสุขมีลมสบายเราคิดว่าองค์สมเด็จพระจอมไตร เมื่อเป็นมนุษย์ท่าก็เปอัจฉริยะมนุษย์มนุษย์ผู้กระเสริฐอัศจรรย์ที่สุดเป็นผู้กระเวสวยกว่าทวารดาวและผมทั้งหมดและมนุษย์ทั้งหมดแต่ว่าร่างกายพระองค์สมเด็จพระบรมสุคต์แม้จะ เ, เป็นพระพุทธเจ้าก็แก่เป็นร่างกายของพระองค์ก็ป่วยเป็นที่พระพุทธเจ้าตรองฉันอาหารก็หิวเป็น ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ป่วยก็ไม่ต้องหมอมีมีหมอชีวกุมาลพัฒเป็นครักษาพระเจ้าป่วยเสมอแล้วต่อมาพระเจ้าก็แก่เป็นไม่ที่สุดพระพุทธเจ้าตอนนี้ผ่านทศ บ, บ้านแล้วก็รียกว่าตายแล้วก็วันนั่งมองดูว่าขั น, ขขขขขขขขนห้าพระองค์สุดประจอมไตรบริสัทาชนได้เป็นผู้เผยเสวยกลติวาดากรรมนุษย์เล้าพรมทั้งหมด แต่ร่างกายพระองค์สมเด็จพระบรม s o l ก็ต้องสลายตัววันนที่สุดมีโรคภัยไข้เจ็บเดือดเดือดมันก็เป็นทุกข์ <c oughs> มีความแก่เข้ามาถึงตัวก็เป็นทุกข์แล้วมีความตายเข้ามาถึงก็ต้องค้นจ็ดพันห้าสิบห้ร่างกายไปแล้วก็้ร่างกายจังเราจังไรของเราเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะานั่งมัวเมาว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา ร่างกายของเราเป็นร่างกายที er ่เลวกว่าของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์แล้วต่อมาเมื่อบวชก็เป็นพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่ลกกษัตริย์ในเวลาบวชแล้วเราก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแม่้พระพุทธเจ้าดีกว่าเรายังพังเราทําไมจะไม่พังร่างกายแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าจงอย่าติดในร่างกายร่างกายของพระองค์ไม่จะดีเพียงใดก็ตามพระองค์ก็ไม่ติดในร่างกาย ใจิตใจมุ่งอย่างเดียวคือนิพพานคือไม่ติดในร่างกายของตัวเองไม่ติดร่างกายของคนอื่นแล้วก็ไม่ติดวัตถุธาตุหมดเพืเห็นว่าพระองค์ไม่มีความอะไรในร่างกายของพระองค์แทนที่จะสนุกถนนอนอยู่ในพระราชวังในฐานะเป็นพระจอาดินพระองค์ก็เปล่าแล้พระองค์ก็มีพญายาสาวคือพระ น, นางพิมพามีลูกใหม่ๆ ใ, ในวันนั้นได้แก่พระราหุลแทนที่พระองค์จะติด อยู่ในร่างกายของานางพิมพ์พาก็ดีติดในร่างกายพระองห์งก็ดีไม่มีกัพระองค์พระองค์ไม่ติดในร่างกายของพระองค์เองด้วยไม่ติดในร่างกายของบัญญาเดบุตรด้วยและก็ไม่ติดในทรัพย์ถิ่นเกยียรติยศที่พรหมเป็นกษัตริย์ด้วยวงความพระองค์ไม่ติดทั้งสามในการจริงเปรพระอรนองค์แรกในลูกได้เราก็ทวงควรปฏิบัติตามนั้น กำลังใจของเราคิดว่าเราจะไม่ติดในอะไรทั้งหมดในร่างกายของเรากนดีร่างกายเขาบุคคลเองเก็ดีดว่าตัวท่ายก็ดีถ้ามันหลงร่างกายเราก็นึกถึงเอสุกภรกรรมถานเอากายยิ่งตะตาเป็นสติตัวแรกเท่านี้เราก็เป็นอารานต่อมาสำหรับพุทธะจริตอารมณ์ฉลาดจะเกิด ข, ขึ้นอารมณ์นี้มีความสำคัญทีว่ามีความสมกันในฉลาดตรงนี้ถ้าฉลาดผิตแล้วก็โนดแแบบพระเทวทัต ถ้าจะลาดถูกก็ไปง่ายถ้าเรามันปลอดโปรง่งเกิดขึ้นมาในใจใจสบายมีความฉลาบมีเหตุอีกผลดีใครพูดอะไรก็เข้าใจง่ายมันมีสำหรับกับคนทุกคนในบางเวลาถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าให้ใช้กรรมฐานสี่อย่างขึ้นหนึ่งาวนาลุสติกรรมฐานสองจตุธากรรมฐานสี่สามอาหาิเรริกรุสัญญา สี่อุปสมานุปติกรรมาฐานแต่ว่าในสี่อย่างีนใจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามชอบใจบรณานุสตินึกถึงร่างกายขอามันจะต้องตายแน่มันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ยังไงๆมันก็ต้องตายแต่ว่าตายเวลาเท่าใดอยายุเท่าไรอาการแบบตายนั่นเราไม่ทราบแต่มั่นใจร่างกายนี้ตายแน่ เมื่อเห็นว่าร่างกายเราจะตายนี่เป็นสมถภาวนานะ่ถ้าขอพูดต่อไปเห็นว่าร่างกายนี้มันจะตายก็ไม่ติดในร่างกายใช่เลยไม่ต้องการกาย ม, กามีการมีร่างกายต่อไปท่านี้ก็พอแล้วบริการนี้สองท่าเจะนานในจตุธาประชันสี่ร่างกายนี้คือธาตุสี่ตาลิกามะแลกมตุ <c oughs> เลือดและร่างกายเป็นเลือด ก, ก็ดีหนังก็ดีกะดูกดีจัดเป็นธาตุดิน น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายปัสสาวะอย่างนี้เป็นต้นจัดเป็นธาตุน้ําลมพัดในร่างกายลมหายใจเขาออกจัดเป็นธาตุลมความออุ่นในร่างกายจัดเป็นธาตุไฟ <c oughs> ไอเจ้าขี่ธาตุเท็มธาตุวัญญาณสามขีอยู่เพียงใดมันก็ร่างกายก็ปกติธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งมันเข้าลงไปร่างกายก็ป่วยไข้ามาสบายมีการสูญ <c oughs> ดวงความธาตุาสี่นี่ไม่มีการทรงตัวมันเสื่อมไปทุกวันใ น, นที่สุดก็ตายเขาพูดง่ายๆเวลามั น, นใกล้เป็นทีด <c oughs> วงความวาเราก็ไม่เมาในร่างกายคือแบ่งเป็นธาตุสี่ให้มันชัด <c oughs> แค่เมื่อที่สุดมันมันก็ต้องตายมันก็ต้องพังเราก็ไม่พอใจในมันแล้วต่อไปสำ ห, หรับอรหันี์ปิฎกสัญญานิทธ <c oughs> ัณมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะ ก้อนนี้ถ้าไม่รู้แล้วก็ลงนรกบอกไม่ถูกพระเจ้าทรงตรัสว่าถ้าพิจรารณาฉันอาหารไม่พิจรารณาเป็นฮาเลวิติุกุลสัญญาก่อนลงนรกแน่นอนของเขาจะเขียนได้ดีก็ลงนรกก่อนแจกฉันเขาไปต้องพิจรารณาว่าอาหารทุกส่วนที่ไม่เกิดขึ้นมาจากความสุขกรกบรรดาปุ๋ยบรรดาพืช ต, ต, ต่างๆมีข้าวก็ดีผักก็ดีมันไอปุ๋ยที่มันเกิดขึ้นทําเกิดขึ้นมาสุขกรรก จากนั้นก็มีฝุ่นละอองสัตว์ทุกประเภทมีการสกปรกเรากินเข้าไปแล้วกินของสกปรกเข้าไปร่างกายเราก็สกปรกคนอื่นเขากินเขาก็สกปรกเมื่อร่างกายมาสกปรกทาไมเราที่ต้องการร่างกายต่อไปอีกในเมื่อร่างกายมาสกปรกแล้วมันก็มีการไม่เที่ยงเป็ น, นาาทุกเวรนต่าขอรบเวลาหรือสองนาทีและต่อไปจิที่จัดตัวสุดท้ายก็คืออุปสมานาโสติกรรมฐาน เห็นว่าร่างกายมันจะต้องเกิดมันมีแก่แล้วมันก็มีตายสองร่างกายมีธาตุสีไม่มีการทรงตัวมันพังแล้วก็สามอาหาเรือปูต้ ญ, ญ้าเรากินของสกปกเข้าไปร่างกายก็สกปรกแล้วมันก็แก่มันก็พังเราต้องการหลบจากการความเกิดที่มาพบกับความทุกข์วความแก่ทค ว, วามพังนั่นก็คือไม่พีาน อุปสมารูปตินีนองสมเด็จพระจิตตมารคงแนะนําให้ตั้งจิตไว้เพื่อพระนิพพานอย่างเดียวคิดว่าเราทําความดีทุกอย่างในชาตินี้เราทําเพื่อพระนิพพานเราไม่ต้องการผลตอบแทนในชาติสิวันใครจะชมใครจะดินทาก็ช่างเพามันเราต้องการพระนิพพานอย่างเดียวเพียงเท่านี้ ตามที่องค์สมเด็จสุทินสีตทรงแนะนำนักปฏิบัติพิกรรมรานทุกคนจะต้องมีความเข้าใจในจริต๊กที่ตราได้มาย่อเต็มทีนะต้องการรู้ละเอียดก็ไปดูในในคู่มือปฏิบัติพิกรรมรานหรือ ว, ว่าถ้าไม่มั่นใจก็ไปดูในวิสุทธมิมรรคเลยก็ได้แต่ตอนน่อไปเขาบรนดาทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำงจิตให้มันกําหนดรู้เราไม่ใจก็ออกใช้คำภาวนาระพิจนาตามอธิยาศัยกว่าจะยินพิยานบอกหมดเวลา